หเหตุจตุกะสองในสมัยนั้นเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารที่มีอวิชชาเป็นเหตุจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณที่มีสังขารเป็นเหตุจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยน้ำที่มีวิญญาณเป็นเหตุจึงมีเพราะนามเป็นปัจจัยอายตนะที่หที่มีนามเป็นเหตุจึงมี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 เพราะชาติเป็นปัจจัยชารามรณะจึงมีกองทุกข์ทั้งมวล น, นี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้257รบรรดาปัจจัยาการเหล่านั้นอวิชชาเป็นฉไหนะความไม่รู้ความไม่เห็นลิมคืออวิชชาอากุศลละโมคือโมหะนี้เรียกว่าอวิชชาเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย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 มโนวิญ ญ, ญาณธาตุที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณธาตุที่มีสังขารเป็นเหตุจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามที่มีวิญญาณเป็นเหตุจึงมีเป็นฉนัยเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันนี้เรียกว่าเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามที่มีวิญญาณเป็นเหตุจึงมีเพราะนามเป็นปัจจัยอายตนะที่หก ที่มีนามเป็นเหตุจึงมีเป็นไฉนะจิตมโนมานัตมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าเพราะนามเป็นปัจจัยอายตนะที่หที่มีนามเป็นเหตุจึงมีเพราะอายตนะที่6เป็นปัจจัยภาสที่มีอายตนะที่หเป็นเหตุจึงมีเป็นไฉนะ ความกระทบกริยาที่กระทบกริยาที่ถูกต้องภาวะที่ถูกต้องนี้เรียกว่าพราะอายตนะที่6เป็นปัจจัยผัสสะที่มีอายตนะที่หกเป็นเหตุจึงมีเพระพาะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาที่มีผัสสะเป็นเหตุจึงมีเป็นไนความสาราญทางใจความสุขทางใจความเสเวยอารมณ์ที่สาราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัส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 ตันหาที่มีเวทนาเป็นเหตุจึงมีเพราะตัญหาเป็นปัจจัยอุปาทานที่มีตันหาเป็นเหตุจึงมีเป็นไฉนะทิฏฐิความเห็นผิดชัดคือทิฏฐิกันดารคือทิฏฐิความเห็นที่เป็นฆาสศึกความเห็นโลเลสังโยชน์คือทิฏฐิความยึดมั่นความถือมั่นความถือรั้นความถือผิด จากความเป็นจริงทางชั่วทางผิดภาวะที่ผิดลัทธิที่เป็นบ่อเกิดแห่งความพินาศความยึดถือโดยวิปลาสนี้เรียกว่าเพราะตันหาเป็นปัจจัยอุปาทานที่มีตันหาเป็นเหตุจึงมีเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ากองทุกทั้งมวล น, นี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้258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 259. บรรดาปัจจยาการเหล่านั้นอวิชชาเป็นไฉไนความไม่รู้ความไม่เห็นลิ่มคืออวิชชาอากุศลมูลคือโมหะนี้เรียกว่าอาวิชชาเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารที่มีอวิชชาเป็นเหตุจึงมีเป็นไฉไน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 นี้เรียกว่าเพราะสังขารเป็นปัจจัย yup วิญญาณที่มีสังขารเป็นเหตุจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามที่มีวิญญาณเป็นเหตุจึงมีเป็นไฉนเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันนี้เรียกว่าเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามที่มี ว, วิญญาณเป็นเหตุจึงมีในคำว่าเพราะนามเป็นปัจจัย菩ะที่มีนามเป็นเหตุจึงมีนั้น นามเป็นไฉนเว้นภาษะแล้วเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันนี้เรียกว่านามเพราะนามเป็นปัจจัยภาษะที่มีนามเป็นเหตุจึงมีเป็นไฉนความกระทบกริยาที่กระทบกริยาที่ถูกต้องภาวะที่ถูกต้องนี้เรียกว่าเพราะนามเป็นปัจจัยภาษะ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 ได้แก่รูปที่เกิดแต่จิตที่มีจิตเป็นเหตุที่มีจิตเป็นสมุดฐานนี้เรียกว่ารูปประมวลย่อนามและรูปดังที่กล่าวมานี้เคอร์ติกันนี้เรียกว่าเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามารูปที่มีวิญญาณเป็นเหตุจึงมีคำว่าเพราะนามารูปเป็นปัจจัยอายตนะที่หกที่มีนามารูปเป็นเหตุจึงมีได้แก่นามหนึ่ง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 อายตนะที่6ที่มีนามารูปเป็นเหตุจึงมีเป็นไฉนจิตมโนมานต์มโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าเพราะนามรูปเป็นปัจจัยอายตนะที่6ที่มีนามารูปเป็นเหตุจึงมีเพราะอายตนะที่6เป็นปัจจัยภัสดะที่มีอายตนะที่6เป็นเหตุจึงมีเป็นไฉนความกระทบกิริยาที่กระทบ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 กองทุกทั้งมวล น, นี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้ 263. บรรดาปัจจยากาเหล่านั้นอวิชชาเป็นไฉไนะความไม่รู้ความไม่เห็นลิ่มคืออวิชชาอากุโสลมูลคือโมหะนี้เรียกว่าอวิชชาเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย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 นามรูปที่มีวิญญาณเป็นเหตุจึงมีคำว่าเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะหที่มีนามรูปเป็นเหตุจึงมีได้แก่นามหนึ่งรูปหนึ่งในนามและรูปนั้นนามเป็นไนะเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันนี้เรียกว่านามรูปเป็นไนะ มหาภูตรูปสี่และรูปที่มโนวิญญาณธาตุอาศัยเป็นไปนี้เรียกว่ารูปนามและรูปดังที่กล่าวมานี้นี้เรียกว่านามารูปเพราะนามารูปเป็นปัจจัยสลายยตนะที่มีนามารูปเป็นเหตุจึงมีเป็นฉไนะจักขายตนะมานายตนะนี้เรียกว่าเพราะนามารูปเป็นปัจจัย สลายตนะที่มีนามรูปเป็นเหตุจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยภัตตาที่มีสลายตนะเป็นเหตุจึงมีเป็นไนความกระทบกิริยาที่กระทบกิริยาที่ถูกต้องภาวะที่ถูกต้องนี้เรียกว่าเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยภัตตาที่มีสลายตนะเป็นเหตุจึงมีเพราะภัตตาเป็นปัจจัย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 ลัทธิที่เป็นบ่อเกิดแห่งความพินาศความยึดถือโดยวิปปลาสนี้เรียกว่าเพราะตัญหาเป็นปัจจัยอุปาทานที่มีตัญหาเป็นเหตุจึงมีเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ากองทุกข์ทั้งมวล น, นี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้เทตุจตุกะจบ สัมปยุตตาจตุกะสองกสิบสในสมัยนั้นเพราะวิชาเป็นปัจจัยสังขารที่สัมปยุตด้วยวิชาจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณที่สัมปยุตด้วยสังขารจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามที่สัมปยุตด้วยวิญญาณจึงมีเพราะนามเป็นปัจจัยอายตนะที่หกที่สัมปยุตด้วยนามจึงมี เพราะอายตนะที่6เป็นปัจจัยพัรษะที่สัมปยุทธ์ด้วยอายตนะที่6จึงมีเพราะพัรษะเป็นปัจจัยเวทนาที่สัมปยุทธ์ด้วยพัสษะจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาที่สัมปยุทธ์ด้วยเวทนาจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานที่สัมปยุทธ์ด้วยตัณหาจึงมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยทบจึงมี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 เพราะนามเป็นปัจจัยอายตนะที่หที่สัมปยุทธ์ด้วยนามจึงมีเป็นฉะไหนจิตมโนมานต์มโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าเพราะนามเป็นปัจจัยอายตนะที่หที่สัมปยุทธ์ด้วยนามจึงมีเพราะอายตนะที่6เป็นปัจจัยภัสสะที่สัมปยุทธ์ด้วยอายตนะที่6จึงมีเป็นฉะไหน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 ตันหาที่สัมปยุทธ์ด้วยเวทนาจึงมีเพราะตันหาเป็นปัจจัยอุปาทานที่สัมปยุทธ์ด้วยตันหาจึงมีเป็นไฉนะทิฏฐิความเห็นผิดลทัทธิที่เป็นบอกเกิดแห่งความพินาศความยึดถือโดยวิปปะลันี้เรียกว่าเพราะตันหาเป็นปัจจัยอุปาทานที่สัมปยุทธ์ด้วยตันหาจึงมีเพราะฉะนั้น จึงเรียกว่ากองท <mouth. S 2> ุก <Beach> ข <borrow> ์ทั้งมวลนี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้266ในสมัยนั้นเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารที่สัมปยุตด้วยอวิชชาจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณที่สัมปยุตด้วยสังขารจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามที่สัมปยุตด้วยวิญญาณจึงมีเพราะนามเป็นปัจจัย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 รสชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีกองทุกข์ทั้งมวล น, นี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้267บัดรรดาปัจจัยากาเหล่านั้นอวิชชาเป็นไฉไนะความไม่รู้ความไม่เห็นลิ่มคืออวิชชาอากุศลมูลคือโมหะนี้เรียกว่าอวิชชา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 ในคำว่าพระนามเป็นปัจจัยภาษะที่สัมปยุตด้วยนามจึงมีนั้นนามเป็นไนะเว้ น, นภัษะแล้วเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันนี่เรียกว่านามเพราะนามเป็นปัจจัยภรษะที่สัมปยุตด้วยนามจึงมีเป็นไนะความกระทบกริยาที่กระทบกริยาที่ถูกต้องภาวะที่ถูกต้อง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 นามรูปและนามที่สั like <profes> ado, มปยุตด e so De ้วยวิญญาณจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยอายตนะที่6ที่สัมปยุตด้วยนามจึงมีเพราะอายตนะที่6เป็นปัจจัยผัสสะที่สัมปยุตด้วยอายตนะที่6จึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาที่สัมปยุตด้วยผัสสะจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาที่สัมปยุตด้วยเวทนาจึงมี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 พราะนามารูปเป็นปัจจัยอายตนะที่6ที่สัมปยุตด้วยนามจึงมีเป็นไหนจิตมโนมานต์มโนวิญญาณท่าที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าเพราะนามารูปเป็นปัจจัยอายตนะที Wood ่6ที่สัมปยุตด้วยนามจึงมีเพราะอายตนะที่6เป็นปัจจัยภัสสะที่สัมปยุตด้วยอายตนะที่6จึงมีเป็นฉไหนความกระทบ กิริ ย, ยาที่กระทบกิริ ย, ยาที่ถูกต้องภาวะที่ถูกต้องนี้เรียกว่าเพราะอายตนะที่6เป็นปัจจัยพัตสะที่สัมพยุดด้วยอายตนะที่6จึงมีเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ากองทุกข์ทั้งมวลนี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้สองในสมัยนั้นเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัย สังขารที่สัมปยุตด้วย e, วิชาจ kita, yes. ึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณที Vega, ่สัมปยุตด้วยสังขารจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปและนามที่สัมปยุตด้วยวิญญาณจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตระและอาตระหที่6ที่สัมปยุตด้วยนามจึงมี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 วิญญาณที <équ altung> ่สัมปะยุทธ <No. S 1> ์ด้วยสังขารจึงมีเป็นฉนหนจิตมโนมานัสมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณที่สัมปะยุทธ์ด้วยสังขารจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปและนามที่สัมปะยุทธ์ด้วยวิญญาณจึงมีเป็นฉนัยนามหนึ่งรูปหนึ่ง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 นี้เรียกว่ารูปนามและรูปดังที่กล่าวมานี้นี้เรียกว่าเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามะรูปและนามที่สัมปะยุทธ์ด้วยวิญญาณจึงมีคำว่าเพราะนามะรูปเป็นปัจจัยสลายตนะและอายตนะที่6ที่สัมปะยุทธ์ด้วยนามจึงมีได้แก่นามหนึ่งรูปหนึ่งในนามและรูปนั้นนามเป็นฉไนะ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 และอายตนะที่6ที่สัมปยุทธ์ด้วยนามจึงมีเป็นไฉไหนจักขาอายตนะมนาอายตนะนี้เรียกว่าเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะและอายตนะที่6ที่สัมปยุทธ์ด้วยนามจึงมีเพราะอายตนะที่6เป็นปัจจัยพัสสะที่สัมปยุทธ์ด้วยอายตนะที่6จึงมีเป็นไฉไหน ความกระทบกริยาที่กระทบกริยาที่ถูกต้องภาวะที่ถูกต้องนี้เรียกว่าเพราะอายตนะที่หเป็นปัจจัยพัสดะที่สัมปยุทธ์ด้วยอายตนะที่6จึงมีเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ากองทุกข์ทั้งมวลนี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้สัมปยุตตะจตุกะจบ